พระธรรมเทศนาแผ่นที่99าลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25พฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่าสัจจะบารมีลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมมาจากอเมริกา มาเพื่อจะพระราชทานเพลิงสรีระศพของหลวงปู่เพชเอเพรอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครฝ่ายคณะสงฆ์ก็นิมนต์หลวงพ่อเหมือนกันนะมีนิมนต์มาแต่หลวงพ่อก็มีภาระธุระจะได้ลงกรุงเทพวันนี้ก็เล ย, ยคิดถึงเหมือนกันไม่แต่ฝาก ผู้ใดไปเออฝากดอกไม้จันทร์แทนหลวงพ่อด้วยเนาะไปคารวะศพหลวงปู่เพชรที่ท่านทำคุณูปการให้กับพระพุทธศาสนาท่านไป อ, อยู่อเมริกาก็หลายปีจากนั้นท่านก็กลับมาเมืองไทยท่านก็ได้มรณภาพอายุของท่านก็มากพอสมควรแต่หลวงพอ่อไม่ได้ถามไทย แต่ว่าอนุของท่านมากแล้วเป็นหลวงปู่หลวงตาแล้วพิจารณาดูแล้วก็ร่องรยไปตามอายุสังขารครูบาอาจารย์แต่และองค์ล่นลงมาล่นลงมาล่นลงมาเรื่อยๆต่อไปก็คงจะถึงคิวหลวงพ่ออินเหมือนกันนั่นแหละเพราะมันคิวของใครของเรา คนโบราณเขายังบอกว่าข่าวนี้ตาข้าขาวหน้าตาเองค่ะต้องคิดไว้ข่าวนี้ตาข้าข่าวหน้าตาเองเป็นตาของใครของเราอยู่แต่ถึงอย่างไงก็ต้องไปด้วยกันทุกคนไม่มีใครจิที่จะหลีกลี่หนีเล่นไปได้หนีเว้นไปได้ไปตรงไปเดินตามหลังกันไปเรื่อย ตั้งแ ต, แต่พระพุทธเจ้าตั้งแต่พระหรันตสาวกครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มันหลวงปู่ต่างๆที่เป็นสิทธิญาณุสิทธิหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าล่นลงมาเรื่อยๆ เ, เราเป็นใครเราเป็นใครจะไม่เดินตามหลังนั้นเราเป็นผู้วิเศษมาจากไหนสิ่งเหล่านี้ต้องคิดไว้อยู่เสมอ คิดไว้ในใจมรณงเมพวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าพระเจ้าจะต้องตายแต่ก่อนที่ข้าพระเจ้าจะตายนั้นข้าได้คิดดีแล้ อ, อยังมีคุณงามความดีมีบุญกุศลเต็มเปี่ยมเต็มพร้อมเหมือนพระพุทธเจ้าพระหานศาสนกพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรื อ, อยังหรือเรายังขาดตกบกพร่องอยู่ขาดตกบกพร่องที่ตรงไหน เ, เราควรจะทาให้จุดนั้นให้เต็ม ให้เติ่นขึ้นให้มีบุญกุศลเป็นที่พึ่งคือหาเงินใส่กระเป๋าเพื่อเดินทางไปสู่ประโลกภายภาคหนาอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนั้นนะลูกหลานพระเนนทุกองก็วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพห้าร้อยห้าสิบเก้า วัดของเรากรำแพงของเราอย่างที่หลวงพ่อได้รายงานบอกกล่าวให้กับคณะรัตยาญาติโยมได้รับรู้รับทราบเมื่อวานหลวงพ่อก็ออกไปดูทางหน้าวัดท่านหัวหน้าหน่อยท่านก็กําลังจะทเทเสาที่กําแพงล้มทางหน้าวัดนั่นนะที่มันพังลงไปที่น้ําท่วมมุมบันที่แปดที่เก้าพฤศ จ, จิกายน แต่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้านะแล้วก็ไปดูทางป่าช้าที่รถขนดินที่ทำถนนที่มันน้ำทำคลองใหม่ถามพระว่าได้สองร้อยกว่ารถรถสิบล้อนะขนดินถมก็ยังคิดว่าประมาณสักเจ75ดห้ปอร์ซนตรงพ่อดู ด, ดอาจจะแปดสิบเดีวว่าใกล้ๆแล้วล่ะ ถ้าถนนทางนู้นผ่านได้ก็ไปว่าเข้าทำงานทางหลังวัดได้ที่มันกำแพงล้มนะอันนี้ก็สุดแท้แต่นะหัวหน้า ง, งานพะลูกพะหลานศรัทธายาตโยมช่วยๆกันดูเก็เมื่อฉันจังหาัเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็คงจะได้ลงไปทำธุระทางกรุงเทพเนีก็คงจะวันสองสามวันแต่ที่ยังไงก็ตาม ในวัดของเราก็มีการงานอย่างที่ว่าช่วยกันดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่มีใครเป็นผู้ทาให้มันเกิดขึ้นธรรมชาติธรรมชาติเราหลีกลีหนีพ้นยากธรรมชาติแผ่นดินไหวพายุน้ำท่วมไฟไหมเหล่านี้แหะอันนี้วันค้านี่ไปนว่าน้ำท่วม ทำให้เสียหายในเมื่อมันทําให้เสียหายแล้วก่อนน่ะพวกเราก็ต้งช่วยกันพัฒนาเอาเ่อหรือปรับปรุงสิ่งที่มันขาดตกบกพร่องที่มันเสียหายนั้นให้ช่วยกันคิดหลวงพ่อเองก็จะต้องไปทุระก็ยังเนี่ยก็เป็นยังเป็นห่วงอา่าเป็นห่วงพระลูกพระหลานศรัทธาญาติโยมให้ช่วยช่วยกันดูคนลไม้คนละมือในทาวนวัตถุแต่ถึงยังไง ที่เป็นห่วงมากก็คือเนี่ยการทํางานด้วยกันหลายคนหลายคนทั้งพระทั้งโยมอย่าให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่มันไม่ดีพูดง่ายๆสรุปแล้วออันไหนที่มันไม่ดีพวกเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทุกคนแล้วได้รับการศึกษาหลวงพ่อเองก็กอกเสากอกเกฑนมีอะไรที่เป็นแนวความคิดที่ดีแนะนํา บอกกล่าวในสิ่งที่ดีหลวงพ่อบอกหมดไม่มีกรรมมืออยู่ในอาจารย์อยากจะให้ลูกสิ์ลูกหาจต่ายแย้ฐมโยมที่มาเกี่ยวข้องเป็นคนดีหลวงพ่อบอกกล่าวให้ฟังหมดแต่สิ่งที่มันไม่ดีหลวงพ่อก็บอกอันนั้นมันไม่ดีนะลักษณะนั้นมันไม่ดีนะหลวงพ่อก็แนะนำอีกเหมือนกันทั้งดีทั้งไม่ดีใครเหมือนกับเลืออันนี้ของเก น, นะอันนี้ของจริงนะ อันนี้หลวงพ่อเกิเปรียบเทียบให้ฟังให้กับพวกเราท่านทั้งท่า น, นทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่พวกเราเท่านั้นเองถึงออจะปฏิบัติปฏิบัติมากได้มากน้อยแค่ไหนรับไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถึงยังไงก็ให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีเป็นพระที่ดีอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยจท่าญาติโยมก็เหมือนกันอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี สิอย่างเรื่องไหนที่มันไม่ดีอย่าไปคิดอย่าไปทาอย่าไปพูดในเรื่องนั้นถ้าคิดทำพูดออกไปแล้วจะเสียหายหลวงพ่อกคยสอนวิธีการแต่ออกไปจากใจของพวกเราทั้งหมดนะเราต้องยับยัง้งเราก็มาฝึกอยู่แล้วฝึกสมาธิฝึกสมาธิคือฝึกแนวความคิดนั่นเองถ้าคิดดีแล้วการกระทอาออกไปก็ต้องดีการพูดออกไปก็ต้องดี ถ้าว่าผู้ใดก็ตามพูดไม่รู้จักการะเทสะแสดงว่าไม่ไม่ฝึกสมาธิไม่ทำจิตใจให้สงบไม่ทำจิตใจให้นิ่งไม่ดูใจของตนเองการที่ไม่ดูใจของตนเองนั่นะมันพร่มออกไปข้างนอกเลยก็ทำให้เสียหายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะที่ถลงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อจะออกจากวัดเหมือนกับพ่อแม่ จะออกจากบ้านตัวเองก็ต้องสั่งเสียลูกๆทั้งหลายอย่าทะเลาะ ก, กันเนะ้อให้รักกันเนะ้อให้เมตตากันเนะ้อให้มีผู้น้อยผู้ใหญ่เนะ้อให้ให้ดูบ้านเรือนของเรานะ้ออย่าให้มีปัญหาเนะ้อบริษัทห้างร้านของเราวัดวาศาสนาของเราดูช่วยๆกันดูนะ้ออันนี้ก็คือทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวลุงพ่อก็เช่นเดียวกัน ก่อนที่จะออกจากบ้านก็เป็นห่วง mm. เหมือนกันนะลูกๆห ล, ล, ลานๆช่วยๆกันทำการทำงานใครมีหน้าที่อะไรก็ดูกันให้ฟังผู้ใหญ่ใครเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวเนี่อาจารย์หน่อยเป็นผู้ใหญ่ท่านลุนเป็นผู้ใหญ่จะช่วยกันดูช่วยกันบริหาราต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะบริหารตลอดไปไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็จะว่างจะต้องวางมือเหมือนกัน ให้พวกท่านทั้งหลายบริหารต่อกันไปนี่แหละโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้จะถือว่าข้าพระเจ้าเก่งกาจสามารถคนเดียวจนไม่มีใครเหนือริ่งกว่าเราเน่ยอันนั้นเป็นความคิดที่โง่ถ้าเกิคิดที่ฉล า, าดแล้วก่อนเนี่ยนะจะต้องมีทายาทจะต้องวางมือปล่อยวางไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องมองเหมือนกันนะถึงจะวางให้ใคร จะวางให้ผู้ใดก็ตามถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมพวกที่ เ, เป็นทายาทสมฐานะไหมวางตัวถูกต้องไหมวางตัวเหมาะสมไหม เ, เป็นผระที่เป็นศรัทธาญาติโยมเป็นพระที่ลืมตัวไหมต้องมองอีกเหมือนกันนะพวกที่จะวางมือเหมือนกับวางเรามุวางพ่อแม่วาง บัญชีรือว่ามรดกให้กับลูกผู้ใดเอถ้าว่าลูกผู้ใดเกเรมีแต่เที่ยวมีแต่เตรไม่รู้จักการงานการงานไม่รู้จักความรับผิดชอบแล้วพ่อแม่จะมอบความไห้หวังใจกับลูกคนนั้นได้อย่างไรไม่ว่าลูกอืสถานะบริษัทบริษัทห้างร้านไหนกนะ็เออถอะนะเอเท่าแก่ไหนก็เถอะหัวหน้าราชการงานเมืองที่ไหนก็เถอะนะ มันก็ต้องมอบความไว้วางใจผู้ที่เป็นคนดีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอให้ตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอมองดูตนเองถ้าพวกเรามองตนเองนั่นแ่ะเลิดประเสริฐที่หลวงพ่อได้พูดมันวานมกอดเรื่องอุปเบกขาอันนี้คือคือพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญคุณงามความดีมาแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ย ที่ท่านสวยประชาิาษฎรชาติที่ท่านบำเพ็ญบรมีมาน่ฟังฟังอ่านอ่านหรือศึกษาดูแล้วนะเป็นแนวความคิดที่ลึกซึ้งแต่ก็สุดโต่งไปในทางดีแต่พวกเราไม่สามารถที่จะทำได้อย่างนั้นอย่างสมัยหนึ่งพระองค์เกิดเป็นลูกของพระเจ้าไสยสิทธิ์กรุงพราราณสีพระองค์ พระบิดาชอบไปล่าเนื้อในป่าเนี่ยพอไปเจอโปรตีสตว์คือคนเป็นคนกินคนวากันเขาก็จับจับพระเจ้าแผ่นดินได้เสียสิทธิ์ได้เสยสิทธิ์เออถ้าจับข้าวไปเจ้าได้ก็เอาเนืข้าวไปเจ้าได้กวางมาเนี่ยนะเนื้อกวายเนี่ยข้าไปเจ้าจะมอบให้ทั้งหมดทั้งหมดข้าไปเจ้าขอชีวิตเถอะ อย่าฆ่าฆ่าเธอโปรตีสัตบอกว่าจะมามอบใไ้ทําไมในเมื่อในเมื่อเราได้ชีวิตท่านแล้วกวางก็เป็นจะเป็นของใครก็เป็นของเราอย่างเก่าเราได้สองอันนี้ไปให้แต่กวางชีวิตของเธอไม่ให้มันไม่ถูกผุนโปริีสัตก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะโปรตีสตวกินคนพระเจ้าไสยสิทธิ์ก็บอกว่า เอาเถอะข้าพเจ้ายังมีก่อนที่จะมาเข้าปานล่าสัตว์นี่ก็ได้ตั้งเห็นพรามณ์เข้าไปคือพราหมณ์คือนักบวชคือคืออุปโทษเนี่ยที่เขาเข้ามาในในเวียงวังข้าพเจ้าบอกว่าเดี๋ยวข้าพเจ้ากลับมาเจะก่อนนะข้าพเจ้าจะพระราชทานสิ่งของให้บัดนี้ ข้าพเจ้ามาถูกจับมาถูกฆ่าเนะ่ยมันก็เสียสัต์จะจุดนั้นที่ข้าพเจ้าไม่ได้มอบให้เขาแต่อย่างไงก็ข้าพเจ้าขอกลับไปถึงบ้านก่อนนะไปมอบสิ่งของสะก่อนข้าพเจ้าจะกลับมาหาท่านอปริษทัทว่าจริงเหรอจริงครับรับรองเดี๋ยวจะมาให้แต่เช้าด้วยต่างหากคุณนะความสัตว์ตัวนี้มันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันอา้าวถ้างั้นไปไว้ใจ ขนาดเขาจะกินตัวแ ท, ะ ท, ะ ท, ะทะนะ้ๆทลยฮ้พันเข้าไปไปก็ไปถึงบ้านเมืองแล้วก็เรียกพรามมาแล้วก็พระราชทานสิ่งของเรียบร้อยให้หมดทุกอย่างเลวเอ้ยลูกเอ้ยมาเข้ามาเดี๋ยวพ่อจะไปแล้วนะข้าวนะเนี่ยอภิเศกลูกชายขึ้นมาเป็นพระเจ้าเป็นดินแทนนะพ่อจะไปไหนโอ้พ่อได้รับคำของโปริศาส พ่อเสียท่าเสียทีไปโปริีสัตว์เขาจับพ่อได้พ่อก็เลยขอชีวิตเขามาทำบุญมาทำทานให้กับพรามซะก่อนบัดนี้ทำทานทาบริจาคทานให้กับพรามเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อก็จะไปให้โปริีสัตว์กินแล้วทางลูกชายไม่ได้พ่อผมไปเองคือร่างกายของผมทุกส่วนออกมาจากพ่อกับแม่ทั้งหมด ในเมื่อพ่อติดมีเป็นอย่างนั้นผมเสียสละชีวิตของผมเพื่อพ่อนะเอพ่อห้ามแต่เลยไม่ไม่ฟังบอกไม่เป็นไรพ่ออ้างเหตุผลให้พ่อฟังทุกอย่างจนเป็นที่ยอมรับพ่อเอาเถองัน้นก็ลูกก็ชุดแท้แต่นะเออแต่ถึงยังไงอนุญาตให้ลูกไปก็เถอดล้มพับลมแผบเหมือนกันนะเออแต่รักษาสั์อย่างมากกว่าชีวิตแต่ทันว่ารักษาชัดรักษาความสั์เนี่ย สัจจะที่ตกลงกันไว้เนี่ยยิ่งกว่าชีวิตรักสักจจะจากนั้นท่ากับลูกชายท่านก็ไปใครท่าอกไปแทนพอนะ่อแต่จะว่าพ่อเบี้ยวก็ไม่ใช่ปลกลูกชายไปแทนนะให้กินเหมือนกันตัวใหญ่กว่าอีกต่างหากลูกชายจากนั้นก็เข้าไปกันไปถึงจักตัวนั้นเอ๊ะ พระเจ้าชัยยศิทธิ์เนี่ยมันมันจะเบี้ยวเราหรือเปล่ามันจะยกพลมาหรือเปล่านะอ้บริษาทมันก็กลัวมันกันนะมันก็ขึ้นไปต้นไม้สูงสูงอยู่ในปา่ามองมองดูทางที่โปดชัสยยศศิษย์จะมาเนะี่ยพอเสร็จแล้วก็เห็นเห็นคนคนเดียวมาเออใช่คงขง่มมันคงมาจริงๆมานะ่ะพอมาเอาไม่ใช่ไม่ใช่ชัสยยศศิษย์ แล้วก็ถามเป็นใครล่ะท่านเป็นบริษัทใช่ไม่ใช่เนี่แหละเราเป็นลูกของเสยสิทธิ์อมาให้ท่านกินเพราะแทนพ่อของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นลูกของท่านข้าพเจ้าขอตายแทนพ่อเพราะนั้นท่านจะกินจะทํำยังไงเออเอาอันดับแรกไปไปหาฟืนกองฟืนขึ้นมาพอฟืนขึ้นมาก็คือจะทําทํากองฟืนแล้วก็เผาเลยวันนั้น พระโพธิสัตว์นี่เฉยทําให้ได้แต่นี้โพริสัตว์มองสําเรืองจาเรืองดูโอ้ทำไมกล้าขนาดนี้คนคนนี้อถามทําทไมท่านถึงไม่กลัวกลัวทําไมกลัวตายถึงท่านไปฆ่าฆ่าก็จะตายอยู่แล้วแต่ท่านนี่นสิเอ่ที่มาฆ่าฆ่าเนี่ยกินมนุษย์เนี่ยนั่นแหละฆ่าสงสารฆ่าเธอมากกว่าโพธิสัตว์ เธอจะไปนรกรลุมไหนต่อไปภายภาคหน้าการทำความชั่วของเธ อ, เ อ, อบริษทัทก็จะดุ่งอีกเหมือนกันปู่นิสุก็เลยเลูกของพระเจ้าไสยศาสตรออ์อบพรมบริษทัทบริษทัทจอมกราบไหว้เลยเจากนั้นก็เลยให้ชีวิตไม่ทาแล่ะไม่ฆ่าแล้วกลัวบาปเ อ, อจากนั้นท่านก็สอนให้ โปริีสัตว์มีศินห้าเ<ม>นี่ยบอในชาตินั้นพระพุทธเจ้าท่านสรุปเลยว่าในชาตินั้นเราเป็นพระโพธิสัตว์ลูกของพระเจ้าไสยสิทธิ์แต่โปริีสัตว์นั้นเป็นองค์กุลิมานองคุลิมานกันลูกชิดนี่แหละคนกลุ่มเดียวกันนะมันฆ่ากันไม่ลงเลยถ้าจะว่าไปแล้วพอเห็นจะฆ่าขนาดนะั้นก็ฆ่าไม่ลงเพราะอะไรเพราะคนกลุ่มเดียวกัน มันมีเล่เหลี่ยมที่จะต้องให้อภัยกันถ้าว่าคนคนและกลุ่มกันเท่านั้นแหะเฮ้อข่ากันได้แบบสบายๆนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทันว่าในชาตินั้นเรามีสัจจะแล้วก็เสียสละเพื่อพระบิดานะี่นี่ะอันนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบรมีมาเนไม่ใช่มีแต่ทาน สินอย่างเดียวมีมากมายอย่างที่หลวงพ่อที่พูดได้กล่าวนี้พวกเราเหมือนกันถึงพวกเราจะไม่ได้เอาอย่างนั้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พวกเราควรจะมีสัจจะคือจะไปยังไงอยู่ยังไงให้ให้รับคำยังไงถ้าควรมีสัจจะต่อกันความจริงจังและจริงใจต่อกันการทำมาค้าขายการไปมาหาสู่กันเป็นมิตรสหายกัน ถ้ว่าอยู่ด้วยกันตอแหลหน้าตอแหลหลังโกหกหน้าโตโกหกกันจนตลอดเวลาคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆนะจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามพูดโกหกตอแหลหน้าด้านๆแบบตัวเองอยากจะทําอย่างหนึ่งแต่ไปพูดอีกอย่างหนึ่ง นั่นแหละเป็นว่าไม่นาวไว้ใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกถูท่านนะพระเนนทุกองค์ลูกลานศรัทธาญาติโยมทุกคนสรุปแล้วให้เป็นคนดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว อ, อ, อยู่ด้วยกันให้มีสัมมาคารวะให้รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่ให้จักศรัทธาญาติโยมไว้ให้รู้จักคู่บาคู่บาก็เหมือนกันให้รู้จักคณะศรัทธาญาติโยมเป็นใครใไวโยวุฒิคุณวุฒิ ให้รู้จักสถานะของตนเองในการเป็นอยู่การอยู่ด้วยกันมากน้อยขนาดไหนพวกเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นจุกนะพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะตอนนี้ไปพระสง์อนุโมทนาให้พรละพรนัตเนนะ